อายะที่หกสิบคงสวดตอวาที่เกี่ยวกับจำพวกที่มีสิทธิ์รับสกาดเรายัางคุงอธิบายในบรรดาจำพวกต่างๆนี่เราได้พูดข้อมูลส่วนมากที่เราต้องการเกี่ยวกับฟุกุระอัลมาเซกินสองจำพวกแรกนะครับการศึกษาจำพวกที่มีสิทธิ์รับสกาสดกับซลคอ้นานั้นเป็นประโยชน์สําหรับมุสลิมทุกคน พรในด้รับสกาัดหรือไม่รับสกาัดนี่มีอยู่สามจำพวกจำพวกที่ออกสากาัดก็คือคนมั่งคั่งคนที่มีมีนิสสอบมีพิกัดของทรัพย์สินประเภท ต, ต่างๆที่จะต้องออกสกาัดประเภทที่สองคนที่ไม่มีพิกัดเลยและอยู่ในสถานะของจำพวกที่มีสิ ร, รับสกาัดจำพวกที่สามละ่ะ ไม่มีพิกัดแล้วก็ไม่ได้อยู่ในจำพวกมีไม่มีดีส่วนมากสังคมมันก็เป็นแบบนั้นโดยเฉพาะสังคมสังคมเรียกว่าที่ชนชั้นกลางเป็นเป็นจํานวนส่วนมา ก, กนะแล้วส่วนชั้นกลางในหลักการศาสนานี่ก็คือไม่ได้ร่ํารวยถึงขนาดที่ต้องออกสกาศเพราะที่จริงนี่ ประเภทคนที่ออกสกัดในหลักการศาสนาก็คือคนที่มีเพียงพอแล้วแล้วก็มีเงินล้นมีเงินเหลือถึงจะต้องออกสกาัดหมายถึงว่าไอ้พิกัดไอ้พิกัดที่เขาต้องออกสกัดเนี่ยนีสอบเนี่ยมันคือเงินที่เหลือเหนือจากค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวและครอบครัวของเขาและคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาหมดแล้วนะ อันนั้นหมายถึว่าคดๆออกไปเยอะแล้วนี่ถ้าเทียบกับคนช น, ชนชั้นกลางนี่ในมาตรฐานสากลนี่ก็คือก็มีกินอยู่แล้ ว, ลวก็ไม่ต้องเงินเดือนพอเพียงอันนันอันนั้นชนชั้นกลางแล้วแต่ไม่ของหลักศาสนานี่ไม่ใช่มีแบบพอเพียงนะไม่ต้องมีแล้วมันจะมีเหลือด้วยแล้วไม่ได้เหลือนิดหน่อยนะต้องเหลือพอสมควร ไมอย่างคนที่มีเงินอ้อย่างน้อยเนี่ยก็ที่มีเงินเงินเหลือหลังจากที่ใช้จ่ายทุกอย่างเลยนะค่าเล่าเรียนของตัวเองของลูกๆค่าใช้จ่ายกินอยู่เครื่องนุ่งหม่มรักษาพยาบาลค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อะไรแชอะไรกันค่าเกมเนี่ยนี่แล้วแต่คุณล้วกันนะเล่นเกมอะไรเนะี่ยค่าใช้จ่ายของฟุ่มเฟือยไปด้วย ซื้อของฟุ่มเฟือยแล้วยังก็เหลืออีกอ่ะอสมูมติคนประเภทแบบวกาประเภทเปลี่ยนเปลี่ยนมือถือเหมือนถุงเหมือนเหมือนถุงเท้าอ่ะมีไหมมี ม, ม, ม, มีทุกปีเราต้องเปลี่ยนรุ่นแล้วไม่พอนะมือถือก็เปลี่ยนอะอะไรกอะอะไรนาฬิกาก็เปลี่ยนมาปีละเรือนอย่างนี้ แต่จริงๆะเขาไม่อยากเปลี่ยนหรอกแต่ไอ้แบรดนด์ยมันมันไล่ล่าไงแล้วก็ยิง่งยิ่งดูตามโซเชียลนี่มันก็มันไม่ปล่อยเราหรอกมันต้องมันต้องทำยอดของมันนี่ใช้จ่ายไปแล้วนะทั้งของจำเป็นแล้วก็ของฟุ่มเฟือยแล้วยังเหลืออีกลหละนถึงจะออกสากาศกลุมชน ช, ชนชั้นกลางกัน่ที่ไม่ออกสากาศนะ เขาไม่ออกสากาศแต่เขาก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่เดร้อนเหมือนแปดจำพวกเนี่ยที่เขาจะมีสิทธิ์รับอากาศอันนี้ประเภทที่สามไม่ได้เป็นคนจนและไม่ได้เป็นคนรวยคนปั่นก้างาอันนี้มีอันนี้ก็มีแล้วนอกก็จะได้รู้ไงมาตรฐานหรือคุณสมบัติของคนที่ต้องออกสากาศและคนที่มีสิทธิ์รับอกาศ นีรู้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแปดจำพวกไม่ได้อยู่ในแปดจำพวกที่มีสิรับสกาดมันก็ได้ห้าิบปเซ็นแล้วของข้อมูลที่เราต้องมีจะได้ไม่ทำสิ่งที่บาปสิ่งที่บาปนี้ก็คือไปขอสกาดไปรับสกาดไปขอสกาดหรือมีคนเข้ามาให้สกาดแล้วก็เรารับสกาดโดยที่เราไม่มีสิทธิ์รับสกาด การรับสกัดหรือวิเคสกาดโดยไม่มีสิทธินี่ถือว่าเป็นเรื่องบาปถ้าเราศึกษาเรียนรู้ในแสด็จวรู้ไปแล้วห้าสิบอร์ซ็นตพอเรารู้แล้วเนี่ยเราไม่ใช่คนจนเอาเราจะต้องรู้จะทำให้จนแล้วก็เป็นคนรวยบ้างเป็นคนที่มีหน้าที่ต้องออกสกาดบ้างอันี้เป็นหน้าที่ต้องไปไปศึกษาเรียนรู้แล้วตรงซึ่งเรืงนี้ ก็มีมีกระจายไปอยู่ในหลายตัวบททั้งในคุรานแล้วก็ฮะดีสแม่ว่าจะเป็นสกาดของประเภททรัพย์สินต่างๆางประเภทเกษตรประสุสัตว์สกาดทรัพย์สินสกาดธุรกิจเป็นต้นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ลืม บอกรืมอธิบายที่ที่แล้วนี่ออกสกาตนี่แปดจำพวกนี้ที่ถูกระบุในอายะเนี่ยมัสฮับอิมามชาฟีนะเขาบอกว่าออกสกาตทีหนึ่งอ่ะอาสมมติว่าปีหนึ่งอ่ะทรัพย์สินที่ท่านออกสกาตแล้วนะสมมติว่าเราจะออกสกัดเงินอย่างเงี้ยออกสกาด มีเงินอยู่ล้านหนึ่งออกสกาศสองหมื่นหาิมามชาฟีบอกว่ามาซับชาฟีบอกว่าสกาศนี้ต้องครอบคุมทั้งแปดจำพวกไม่ใช่ทุกคนในแปดจไม่ไม่พอหลักสองหมื่มมมอออมนหาหมายถึงว่าต้องครอบคุมทั้งแปดประเพทไปหาเอาฟุกุระ เ, เอาให้คนหนึ่งมิสกีนให้คนหนึ่ง อาเมลีน่าอะไรคนหนึ่งอัลลอฮรุควุคนหนึ่งเพื่อรู้ครอบคนเนี่ยหมาึงว่าอย่างน้อยเนี่ยทุกแปดจำพวกสักคนหนึ่งซึ่งเป็นเป็นทศนะที่ยากมากแล ะ, อ, ะอ่อนหลักฐานทศนะิอุลมามะส่วนมากผมก็ไม่ต้องให้สกัดจําพวกเดียวในแปดจำพวกพวก็อพอก็เพียงพอ ให้ปรกาศเพียงคนเดียวในหนึ่งจำพวกของทั้งแปดจำพวกก็ยังยังได้ใช้ตัว่าใช้ได้นนี่เป็นทัศนะสหภาพทั้งหมดแล้วก็อุลามาส่วนมากนี่มามชีได้อ้างเรื่องเดียวด้านภาษาเขาอว่าอัลลอฮ์บอกว่าอินนมัสสดะกอตรงนี้แท้จริงทาน ก็คือสอดกลอทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยสอดกลอทั้งหลายนะนท่านมีสอดกลอแล้วทั้งหลายของท่านนี่นะสาหรับใครสำหรับคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้สำหรับสหรับก็คือหมายถึงว่าสำหรับทั้งแปดนะแต่ว่าต้องให้ทั้งแปดอันนี้คือคือเหตุผลของอ ท, ที่ผมใช้ในด้านั้นภาษาด้า น, นที่ความภาษาแต่เหตุผลของาศาสนาอิลามส่วนมากนี่ เขานำเหตุการณ์สมัยท่านนาบีและสฮามะแสดงก็หลายครั้งที่ท่านนาบีจะให้นี่ก็บางทีนี่ก็ให้จําพวกเดียวหรือให้สฮามะนี่ก็จะให้สองจำพวกส่วนหนึ่งของแปดจำพวกไม่จำพวกเดียวแต่ไม่ได้ให้ทั้งหมดเลยซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยบ้านเรานี่อันนี้นี่นะถือว่า อีกหนึ่งอย่างที่พิสูจนัว่าบ้านเรานี่ไม่เคร่งชีวีอีกตัวอย่างหนึ่งนะที่พิสูจนให้เห็นว่าบ้านเรานี่ไม่ได้เคร่งชีวีหรอกไอ้ที่เขาบอกว่าเรานี้ชีวีในบ้านเรานี่ต้องยึดตามมาศชีวีไม่จริงหรอกหลายอย่างมาศชีวีนี่ผู้หญิงต้องปิดหน้านะว่าจิบต้องทัศน์นาณ์ะแต่เขาบอกว่าทัศนนาณ์ะอิหมั่นชีวีรูดี รู้ดีกว่าไอห ม, มอื่นหลักฐานต่างๆนี่เขาศึกษามาแล้วเราอย่าทําเป็นอเลมก็บไอหมำช่ไหมคื อ, มมอนแน่นอนอุลามาเนี่ยเราเคารพหมดแล้วเราบอกว่าที่เนื้อกว่าอุลามาทุกคนนี่ก็คือตัวบทหลักฐานและใครที่มีความรู้คามสามารถตีความได้นี่ก็โอ้ยจริง น, นิจฉัยได้โดยเฉพาะบรรด า, ารบรรดาศักต่างๆนี่ส่วนมากเขาก็วิ น, นิจฉัยตามถินและยุคของเขาซึ่งถินอื่นแล้วก็ยุคอื่น ไม่เสมอไปนะที่จะต้องสอดคล้องกับถิ่นและกัยุคของอิหมามนั้นนั้นทัศนคของยีหม่อมชีวิตที่อิบในยุคนั้นในยุคศตวรรษที่สองอิหมมบูฮานีฟศตวรรษที่หนึ่งที่อิรักอิหมามอัลมะดนะก็ที่อิรักศตวรรษที่สามอิหมัมมาลิกนี่ศตวรรษที่สองต้นต้นศตวรรษที่สองที่มาดีนาห์นี่ที่อียิปต์ทำไมจําเป็นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นในแต่ละมัจฮับเนี่ย เขาจะมีสาขานิติศาสตร์ในนิติศาสตร์สาขาหนึ่งชื่อสาขาเนี่ยอันนาวซิลถ้าแปลถ้าแปลแบบตรงๆอันนะเหตุการณ์เฉพาะคือจะเป็นฟ้ตัวของอุลามัในมัสยิดในเหตุการณเฉพาะของถิ่นและกัยุกซึ่งไม่ตรงกับทัศนะของมัสยิดก็จะเรียกว่าเหตุการณ์เฉพาะที่ถูกฟ้ตัวไม่ตรงกับทัศนะของอิหมัมในมัสยิด อิมามชาฟีได้ฟัตัวอิม่ามชาฟียึดในในมัสยับมัสยับของอิมามชาฟีนะเวลามะกริบเนี่ยหมดตอนไหนอะกี่โมงมัสยับม่ามชาฟีตอบง่ายเลยกันลาซาดินชาลาซาดินชามาไร มัจฮับอิหม่ามชั้นวอีเนี่ยมัจฮับใหม่มัจฮับเจดีของท่านเนี่ยเวลามักริบเนี่ะให้กะเวลาอาญานแล้วก็ละหมาตอาญาแล้วก็ไม่รอสุนนะนีแล้วก็ละหมาดมัริบสามเออไม่ใช่ให้อาานแล้วก็ละหมาดสุนนะสองสองวแล้วก็ลก็ละหมาดมัริบ อันนั้นหมดละเวลามะกริบกะเวลาสมมติว่าอาซานี่สองสามนาทีละมาซุนหนี่สองสามนาทีละมาบักริบนี่สักห้าถึงสิบนาทีอย่างเงี้ยแสดงว่าตั้งแต่อาซาบักริบเนียนจบไปในสักสิบห้นาที20สบนาทีอย่างมากเลยนะหมดแล้วเวลามักริบถ้าละมาดหลังจาก20สินาทีหลังอาซาเนอะถือว่าละมาดชดละมาดใช่ บรรดาอุลมาในมัจดับชเวีนะเขาเปนน็นคนแบปรากฏว่ในมัจดับก็ดีมัจดับเก่าของอิหมัมชเวีตอนอยู่ที่รักเนี่ยท่านบอกว่าไม่เวลามกริบนี่มันจะหมดตอนเริ่มเวลาอิชาและเวลาอิชานี่ก็คือหลังจากที่ขอบฟ้านี่มันมืดมนไปหมดแล้วแล้วก็ดวงดาวนี่เริ่มเห็นแล้วซึ่งอันนี้ก็ประมาณชั่วโมงกว่าอิหมัมนาวีซึ่งเป็นอุลามาที่มีสถานะ สามารถช่างช่างทศนะในมัศพบิมณ์นวีบอกว่าในมัศพบของเราเนี่ยในมัศพบมัศพบชาฟีนะแทบเป็นมติเนี่ยที่จะยึดเอาทศนากอดีมทัศนะเก่าอิมามชาวีไม่เอาทศนะใหม่ไม่เอามัศพบจะดิบมีทุกวันนี้เนี่ยที่เราใช้กันนะนะในบ้านเราเนี่ยในมัศพบชาวีเนเวลามักรีบน่ะก็คือทัศนากอดีมซึ่งม่ใช่ทศนะของอิมามชาวี ที่ท่านยืนยันบ้านปลายชีวิตก่อนเสียชีวิตเป็นมาสับกด็ดีมาสับที่ดีกว่าถูกยกเลิกมาสับดั้งเดิมมาตอนอยู่ที่รักเรื่อว่าตอนอยังหนุมน่มๆอยู่ก็ อ, อยู่อีรักในประมาณสิบหสบเจดปีถึงยี่สิบกว่าปีเพราะอิหม่ามช اف ีเสียชีวิตห้าสิบกว่าไม่ไดไม่ได้อยู่มาก อยู่ที่อิรักนี่ยังหนุ่มๆอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่ง <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่มชาซาฟีแต่ในบ้านเราเนี่ยแทบไม่มีใครหรอกที่สามารถเอาสากาัดของเขาแล้วก็ไปแจกให้แปดจำพวกไม่มีหรอกเป็นไปไม่ได้มีหนมซ้ำบางจำพวกนี่เดี๋ยวเราจะรู้นะบางจำพวกนี่ ถ้าจะเอาตามศาสนาอุลามาส่วนมากที่ยึดปฏิบัติตั้งแต่ยุคสลักนี่นะบางจาพวกนี่ไม่มีแล้วอย่างฟีซาบีลินานี่ฟีซาบีลิลาศสนาอุลมามาส่วนมากนี่ก็คือก็คือในการทำสงครามก็คือนักรบในอุนตังอ่อนละที่เขาไม่มีไม่มีสวัสดิการของรัฐให้สกาดเขาได้ มีไหมจําพวกนี้มีไหมไม่มีแล้วแต่แต่อุลมามะเขาบอกว่าถ้าให้ทั้งแปดจำพวกนี่เดียก็ดีมันจะได้ครอบคุมใ ห, ให้ทั้งหมดเลยถ้าหาได้นะทั้งแปดทั้งแปดจำพวกนี่หาได้ให้ทั้งหมดนี่แล้วก็ให้ทั้งหมดนี่ได้แล้วก็ดีแต่มันก็ยังติดขัดอยู่ที่ว่าถึงจะได้ทั้งแปดจำพวกครบแต่เราก็ไม่สามารถให้ได้ให้ทุกคนนะ่ะมันก็ยังได้ให้ บางคนนะในแต่และจำพวกยิ่งถ้าสกาดไม่ได้ถูกเก็บและแจกจ่ายอย่างเป็นระบบนะอย่างเป็นระบบนะมันก็จะมีปัญหาเสมอเก็บไม่มีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิภาพว่าใครใครจะจ่ายก็จ่ายใครไม่จ่ายสากาดก็ สมัยซอฮาบานยเป็นอย่างนั้นเนอะไม่ดิสการนี่เป็นอภิสิทธิ์ของรัฐนะถึงข้นนาที่เอาวักรสติกประกาศสงครามกับกลุ่มเผ่าอารับบางกลุ่มที่ไม่ยอมมอบสการ์ดไม่ได้สการนี่เป็นสิทธิ์ของรัฐเพราะสการนี่เป็นแหล่งรายได้ของรัฐในการดูแลประชาชนในส่วนคนที่ไม่มีไม่มีคนดูแล และไม่มีในศา ส, สนาอหสลามีไม่มีนโยบายที่จะเก็บภาษีโดยไม่มีความจำเป็นหรือประชาชนไม่ยินยอมรัมาจากจะเก็บอยู่ดีๆจะเก็บภาษีนี่เขาเก็บภาษีที่ดินบ้านเรือนเรียบร้อยแล้วมันเหลืออีกเรื่อง่งเดีคนะือเขาเก็บภาษีภาษี จะคนเป็นคนที่มีชีวิตแทบทุกทุกส่วนในชีวิตของเราเหลือเรื่องเดียวเข็บระษีคนตายยังไงเก็บระสีคนตา ย, ย, ารรตายมรดกไงเออมีแบ่งด้วยมีแบ่งลูกได้เท่านี้เมียได้เท่าน้นพ่อได้เท่านี้แล้วก็รัฐบาลได้เท่านี้ อันนี้ยังไม่เกิดขึ้นมันมีส่วนเก็บภาษีนิดหนึ่งหนึ่งของพวกเราแต่มีค่าธรรมเนียมให้ที่เขาต้องการเนี่ยซึ่งพรบก่อนหน้านี้เนี่ยพรบที่ดินเนี่ยที่ดีนเนี่ยที่เขาเก็บนี่นะมันมีพรบรมรดกด้วยแต่ไม่ผ่านแต่เก็พ ร, พรบรมรดกนี่ไหมาที่ผมแบ่งแบ่งมรดกทุกทีน่ะนะมีต้องแบ่งแบ่งให้รัฐด้วย นี่ทุกส่วนที่เราใช้จ่ายนี้รัฐนี่ก็มีก็มีส่วนส่วนเกี่ยวข้องเอาแล้วกถ็ถ้าไม่เก็บภาษีอกรจากประชาชนนะแล้วก็รัฐจะมีค่าใช้จ่ายอะไรล่ะสวัสดิการต่างๆของประชาชนเนี่ยเก็บตามภาคส่วนและสวัสดิการที่เขาต้องการเอาประชาชนในพื้นที่ตรงนี้เนะี่ยต้องการสะพานเอาพวกคุณในต้องใจดิ คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ก็ต้องจ่ายดิเราจะไปหาที่ไหนามาจ่ายให้ล่ะเขาต้องจ่ายนี่แต่เขาต้องจ่ายตามความรับผิดชอบเนี่ยแต่นี่เก็บภาษีจากประชาชนทั้งหมดนี่ก็มกันกระจุกอยู่ที่รัฐแล้วเราไม่รู้เนะ่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยแต่ละคนน่ะเริ่มตัง้งแต่นายกตจนเจ้าหน้าที่สุดท้ายเนี่ยใช้จ่ายภาษียก่อนยังไงซื้อกระเชา้าเหล้ามอบให้เจ้ า, จานาย เลียงแม่บ้านหมูกระทะก็จะมีเหตุผลของแต่ละคนนะนะ mm hmm. เงินส่วนตัวที่ใช้ของนายกเนี่ยสามสี่พันล้านนะพัคกิตมานี่แต่ตองรายงานนะนะแต่พัคกิตมานี่นี่คือใช้ใช้จะได้ใช้เรนะ็วไงสามสี่พันล้านนะวันนี้แค่รองรองประธานสภาเนี่ก็สองล้านแล้ะ งบอันนงบรองรับ嘛รับรองติดตามอยูง่งบงบเลี้ยงน้ําชาแขกไงนะแขกมานี่เลี้ยงน้ําชาเนี่ยสองล้านนะโอ้โหเนี่ยภาษีภาษีใครอะภาษีที่เราไปจ่ายตามเจเวนนี่แหละ ซ, ซื้อน้ําซื้อขนมนี่นะหักเว่ ไม่ไดีรัเ ก, ก็กบภษีนชชนนนนเนี่ยก็ต้งปรึกษากับประชาชนอยากจะทําถนนใช่ไหมอบคนในพื้นทีท่เดีใช้เนี่ยเดียช้เนี่ยเราจะาทําถน น, นทำถนนจงจ่ายเงินอย่างนี้มีเทาา่าไหร่จะจ่ า, า, า, ายเท่าไหร่นี่ขอบคุณเนี่ยต้องต้องมีส่วนส่วนร่วมที่จริงอันนี้เนี่ยมันก็คือการมันก็คือแก่นแท้ของการกระจายอํานาจ ท, ที่มันเป็นทฤษฎีการปกครอง ท, ที่ที่ทันสมัยในปัจจุบนัน ปัจจุบันนี่เขาต้องการต้องการให้อำนาจท้องถิ่นเนี่ยไปเก็บภาษีเองและ บ, บริหารภาษีเองให้มากที่สุดส่วนกลางนี่ก็จะมีแค่แบ่งบางส่วนเนี่ยจะได้บริหารบริหารภาพรวมเรื่องต่างประเทศเรื่องการลาโหมเรื่องเรื่องพัฒนาท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยของท้องถิ่นผู้เกิดนี่เขาได้ เจ็ดหมื่นล้านแปดหมื่ล้านนสุดท้ายเนี่ยทิงก้างให้เขาเอาเนื้อมานี่เหลือแต่ก้างอยู่นู่เอาเนื้อมาอยู่นี่หมดสกาดก็เหมือนกันโซนขขอคก็เหมือนกันทศน์อุลมามะทั้งหมดเลยเพราะกสกัดนี่เอาจากคนรวยคนมั่งมีเนี่ยในท้องถิ่นนะไปให้คนยากจนในท้องถิ่นนั้นนั่นนะ่ะ ถ้าหมดแล้วคนในท้องถิ่นนั้นหมดแล้วไม่ไม่ไม่ไ ม, มีใครแบบว่าเติบกิ่มกันแล้วาานี่ถึงจะย้ายสกกดไปที่อื่นได้ถึงจะฟะตัวที่ว่าเออย้ายสกกดนี่คนส่วนมากนี่เขาไม่ต้องเขาไม่ต้องการสกกดนี่ให้สกกดแบ่งให้ที่อื่นบ้างอนะอถึงจะได้แต่ถ้ายัางยังขัดสนกันมากในถิ่นนั้นนั่นย้ายสกกดไม่ได้นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของหลักการว่าด้วยเรื่องเรื่อง เรื่องการแจกใจสกาดจำพวกที่สามนี่เวลามีลน่ะอะไรฮะที่ถูกอธิบายไว้และบรนดาเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมมันรวบรวมมันต้องรวบรวมสกาดคือต้องเข้าใจนะครับว่าในยุคงท่านบีสุลต่าน หรือในกรณีที่ไม่มีไม่มีโครงสร้างรัฐในสังคมคนที่จะทำหน้าที่เก็บสกาดแล้วก็แจกจ่ายสกาดเนี่ยสมัยท่านนาบีนี่ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะหรือในรูปแบบปัจจุบันรูปแบบปัจจุบันที่สกาดเนี่ยไม่ได้เป็น ส, ส่วนของส่วนกลางที่จะมารับผิดชอบแล้วก็ดูแลซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ได้มาดูแลแล้วก็จะได้เงินเดือนได้สัดด้วยกันจากส่วนกลางจากกรัฐอย่างสกัดสุวรรณสกัดเนี๋ยวนสมมุติมีคนรวยคนหนึ่งให้องคอ์กรหนึ่งให้ส ก, กาดมาร้อยล้านองค์กรนี่จะเก่งแค่ไหนเนี่จะไป จะให้ไปตรวจสอบคนที่มีสิทธิรับสการแล้วก็แล้วก็ไปให้สการอย่างต้องัารคนต้องการแ ร, รงงานไม่น้อยเอาแล้วคนที่มาทํางานนี่จะอาส า, าอย่างเดียวเหรอไม่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้สวัสดิการศา ส, สนาก็เปิดกว้างให้สวัสดิการของเจ้าหน้าที่ส่วนกลางส่วนกลางทําไมบอกว่าส่วนกลาง เอาเดาหาว่าไอ้คนที่ออกสกาดเองอ่ะเอ้าตัวฉันอาสาเอาสกาดของฉันเองแล้วก็ไปแจกจ่จายอย่างงั้นฉันก็มีสิทธิ์เอาสกาดจากตัวเองอ่ะถ้าตัวเองจะทําเนี่ยห้ามห้ามใช้ส่วนของสกาดโดยเด็ดขาดเออผมจำไม่ผิดนี่มียุคซาฮาบานีอมร บ, บุญข้อต้อมจำไม่ผิดถ้าน อ, นอมรบุญข้อต้ามอยู่ออกสกาดไม่ใช่ ลูกชายของอมอรุมตุขโต๊ะออกสกาดแพะสกาดปลาสุสัดแล้วออกสกาดให้คนมิสกีนคนหนะึคนมิสกีนนี่ก็เป็นทรัพย์สินของมิสกินคนนั้นแล้วใช่ไหมแต่เขาไม่อยากได้เนื้อไงเขาก็เอาแพะตัวเนี้ยไปตลาดไปขายนี่คนที่มามาซื้อสกาดนี่ก็คือเอาอมรุมตุขโต๊ะผุณพ่อของของเจ้าของทรัพย์สินที่ออกสกาด พออัมาฮัมมัดอับดุลขัตบรู้แล้วเนี่ยอ๋อห น, น, นี้นี่คือทรัพย์สินทรัพย์สิน ส, ส, นสากัดของลูกนั่นอัลมุฮัมอบนีลขตัต่คืนเลยทําไมอ่ะคือลูกกับพ่อนี่ในหลักการศาสนาเนี่ยทรัพย์สินของเขาเนี่ถือว่ามีสถานะเดียวกันอันนี้คือหลักการที่มีเหตุมีผลนะมันไม่เหมือนกฎหมายสากลกฎหมายสากลนี่พ่อกับลูกนี่เออทรัพย์สิสนนี้แยกทะบรรลุนี่เท่าแยกกันใช่ป่ะแต่ผัวกับเมียเนี่ย กฎหมายสากลกับกฎหมายไทยเนี่ยหัวก็มีเนี่ถือว่าสถานะเดียวกันทรัพย์สินเดียวกันเพราะมันเนขอตอนนี่ยก็กกเลยคืนเพราะอะไรอ่ะเหมือนเป็นสกัดของตัวเองากับสกัดของลูกก็เหมือนเป็นสกัดของตัวเองจะเมาได้ไงสมมุติว่าเราให้สกัดเป็นแพะเราะเป็นแพะแล้วก็ไปเยี่ยมคนจนคนจ น, นก็เอาแพะไปเชื้อแล้วก็มาเลี้ยงเรากินไม่ได้ เรานีออนี่อะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องบางทีเนี่ย ไ, ไปให้สกาดไปให้สอดคคนจนคนคนจนนี่าก็ดีใจอเดี๋ยวท่านเดี๋ยวเดขอเลี้ยงหน่อยเขาก็เอานี่เอ า, ากาที่ได้มาเนเอามดไปซื้อน้ใหไไไาา้ไม่ได้อินสกาดของตัวเองเนี่ยไม่ได้โดยเด็ดขาดนะโดยเด็ดขาด และเป็นเรื่องที่เราต้องสาะหาด้วยพยายามพยายามดูให้คนที่เราให้สกัดนี่ขมีเอาอะไรมาให้เราหรือเปล่าเราเอาอะไรมาให้เราที่เป็นสกัดนี่ไม่ได้อย่ารับแล้วก็พยายามเลี่ยนในการที่จะไปยุ่งกับส่วนที่เป็นสกัดที่เราออกไปเขาฉะนั้นอันนี้ไม่ส่วนกลางแล้วนะเจ้าของสกัดเองเนี่ยจะมาอ้างว่าฉันจะไปใช้จ่ายจะจะไปจ่ายแจกจ่ายสกัด ด้วยตัวเองก็จะขอรับส่วนสกาศของจําพวกที่สามหน่วยละมิลลีนาฬิกาได้ไหมไม่ได้ถึงบอกว่าถ้าเป็นส่วนกลางส่วนกลางนี่หมายถึคนอิสระที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่กำลังออกอากาศแตกรณีถ้าเรานี่ยมั่งคั่งเราก็ออกอากาศของเขาของเราแล้ยออกอากาศของเรา แต่มีคนที่จะออกสกาดแล้วเขาไม่รู้จะไปแจกจ่ายสกาดยังไงเขาบอกเขาเอาฝากหน่อยฝากแล้วเราเนี่ยต้องใช้จ่ายในการที่จะไปแจกจ่ายสกาดอันนี้เนี่ยได้ไหมอันนี้เนี่ยได้และนี่คือจาพวกหนึ่งจำพวกที่ไม่ถือว่าเป็นคนเดรนหมายถึงว่าในแปดจำพวกนี้จะมีคนที่มีสิรับสกาด มีสถานะเป็นคนเดร้อนคนยากจนนี่เดร้อเดร้อนฟุกโรมเสกิ้เดร้อนขัดสนแต่ลูก عامل ีน่าอะไรฮะคนที่ทํางานคนที่เป็นเจ้าหน้าทีน่นี่ไม่จําเป็นต้องอยากจนนะไม่แต่เขามีค่าใช้จ่ายในการในการเก็บอากาศในการแจกจ่ายอากาศนี่ค่าใช้จาา่ายต่างๆนี่ค่ า, น, น, าน้ํามันค่ะเนืยค่าตออิดต่อโน่นนี่นั่นค่าอย่ายนี้ต้องต้องต้องเบิกได้สวัสดิการตรงนี้จะต้องเบิกได้ คาแรงงานนี่ก็ต้องเบิกได้เช่นเดียวกันเบิกแค่ไหนอ่ะไม่มีนี้ไม่มี <c oughs> มมมมมมระเบียบละเอียดเนหะมือนระเบียบรัฐสภาเก็เบิกค่ารับรองไอ้นี่มันไม่ถึงขนาดละเอียดขนาดนั้นนะะแต่ส่วนมากนี่อะไรที่หลักการเนี่ยได้ทิ้งช่วงไว้เนี่ย ให้เป็นการกําหนดตามสถานการณ์และจารีดของสถานที่และกระยุคซึ่งมันจะไม่เหมือนกันถ้ามีระเบียบออกสมัยท่านนาบีว่าสวัสดิการของค้ชเจ้าหน้าที่สกัดนี่ตรงเท่านี้เท่านี้เท่านี้ออกตายแล้วค่าน้ำมันเมืองไทยอย่างเงี้ยไม่เหมือนค่าน้ำมันที่มาเลคคนนี้จะไปจ่ายสกัดจะไปแจกจ่ายสกาด นี่ในทิ่นต่างๆนี่ต้องขับรถต้องขนของต้องมีคนยกต้องมีอะไรเนี่ยข่าแรงข่าน้ํามันในแต่และแต่และท้องถี่นี่มันไม่เหมือนกันสมมุติน่ะประเทศนึงมีมีคนจนแล้วอย่างประเทศอิมาเรดเนี่ยประเทศอิมาเรดนี่ถ้าเอาตามมาตรฐานทั่วไปอะนะก็ประเทศอิมาเรดนี่ขเขาบอกว่เงเเินเดือนล่าสุดนี่ได้ ได้ได้ดูคลิปเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่ที่อิมมรักเนี่ยเขาเขาเขาแนะนําคนที่มีเงินเดือนน้อยที่สุดที่สรหระัฐอิ ม, มริกาเนี่ยเขาสามารถบริหารจัดงานเงินเดือนน้อยที่สุดเนี่ยเรื่องค่ากินเพราะที่นู่นค่าใช้จ่ายมันสูงจะจัดเรื่องค่ากินค่าอะไรเนี่ยได้ไงเงินเดือนน้อยที่สุดเนี่ยเท่าไหร่สามพันกว่าที่ทำนี่เขาเขาประมาณสามหมื่นกว่าบาท อันนี้เงินเดือนที่น้อยที่สุดใช่แต่ที่นู่นมันมันน้อยเนี่ยเพราะมันค่าใช้จ่ายมันสูงแต่เขาบอกว่าสามหมืนบาทนี่มันก็อยู่ได้แล้วก็มีพอที่จะเหลือพราอเขาสนนิฐานนะว่าคนที่ได้สามพันเดลฮัมเนี่ยสามหมื่นบาทเนี่ยเขามีมือหนึ่งอันนะส่งให้ครอบครัวเขาเพราะคนสวนมากที่มาเลดเป็นคนต่างชาตนะิประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เป็นคนต่างชาติมือหนึ่งนี้เขาส่งให้ครอบครัวเขาต่างประเทศ แล้วก็สองหมืนเนี่ยใช้จ่า ย, ายมันแสดงว่าไม่มีไม่มีคนไม่มีคนจนแล้วสิใช่อิมานเรียนนี่าก็สกัดนี่เขาลงดีไปหาคนรับสกัดนี่ถ้าไม่มีเขาก็ส่งคนสกัดของเขาเนี่ยส่งส่งไปให้โซมาเลียแต่ประเทศน้ํามัน อ, อย่างซาอุดีอาระเบียมากเลวส่งไปให้ประเทศยากจนอย่าโซมาเลียไอ้ประเทศยาซีเรียอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็คนที่จะ คนที่จะเอาเงินไปแล้วก็ไปแจกจ่ายไปทำไปแพ็กของไว้ น, นี่อันนี้อันนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายไหมต้องมีใค้จ่ายสามารถนำมาจากไหนก็นํำมาจากตัวสกา a t นั่นเองได้อันนี้ถูกระบุถูกระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ <c oughs> องค์กรที่ทำงานส่วนรวมเนี่ย แล้วการนำสกาดหรือโซนอคอลหรือเงินบริจาคของประชาชนไปช่วยเหลือเขามีสิทธิ์ที่จะเอาส่วนหนึ่งของบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางไหมมีสิทธิ์ถ้าบอกชาวบ้านอย่างเช่นจะรับบริจาคช่วยเหลือซีเรียรับบริจาคช่วยเหลือซูมาเลียสิ่งส่วนมากเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าต้องสกัดหรือไม่สกัดนะแต่บางที่เขบอกว่าสกัดนี่รับได้ แต่ม่ใช่ทั้งหมดนี่เป็นเงินสกัดเนี่ยถ้าเขาบอกว่าส่วนหนึ่งขอ ง, งนเงินนี่จะเป็นค่าใช้ใจ่ายในการนําความช่วยเหลือไปส่งให้เขาเนี่ยอ่ันนี้เนี่ยเขาเก็บได้เขาหักส่วนส่วนนี้ไปไปใช้ในส่วนกลางนี่ได้แต่เธอไม่ได้บอกไม่ได้เธอบอกว่ า, ารับบริจาคให้พี่น้องซีเรียก็ต้องซีเรียหมดนะก็ต้องซีเรียหมดนะ แต่จะรับสกาดได้พี่น้องซีเรียแล้วก็มหาคืยสิบซนี่อันนี้มาใชา้สําหรับทีมงานสําหรับอะไรีอันนี้ไม่ถูกต้องเลยไม่ถูกต้องด้วยประกาศดังกล่าวดังนี้องค์กรต้องระมัดระวังถ้าอยากได้ตรงนี้ไม่มีแหล่งรายได้ที่จะมาหล่อเลี้ยงคนไกลของส่วนกลางนี่อันนี้ก็ต้องบอกประชาชนนี่ตรงไปต้องมาพี่น้องครับเราจะรับบริจาคแต่มีส่วนหนึงจะเป็นค่าใช้จ่ายในการที่จะนําความช่วยเหลือของพี่น้องเนี่ไปให้ ไปให้กลุ่มกลุ่มที่ที่เราจะไปส่งความช่วยเหลือให้เขาอันนี้ต้องบอกต้องบอกกับชาวบ้านอีกอย่างหนึ่งเงิงนบริจาคถ้าไม่พอเนะี่ยก็ไม่เป็นไรอันาานี้มาใช้ในหนทางที่เราประกาศทั้งหมดเนี่เอามาไม่เป็นไรแต่ปัญหานี่เวลารับบริจาคเนี่ยแล้วเงินเหลือทั้งดังดีตอนที่รับบริจาครับบริจาค มเีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ชัดเจนอย่างเช่นชมรมอย่างงี้รับบริจาคจัดค่ายค่ายเนี่ยต้องใช้สามมือนได้บริจาคมากห้า0มื0นหกมืนใช้ไปแล้วสาม0มื0นสามมืนห้ายังเหลืออีกสอง0มืนทำยังไงเอาไปรับน้องได้ไหมมันเป็นแบบนั้นแล้วก็มีหลายชมรมที่ก็มาทำ ผมแบบนี้ก็มีเงินเหลือจากกิจกรรมที่ผมบอกว่าง่ายนิดเดียวในดเดียวเพอเวลาตั้งตู้รับบริจาคในเวลาพูดนะเพิ่มอีกสองคำก็คือและอื่นๆสบายใจที่นั่งกับเราเราจะจัดค่ายแ ล, และอื่นๆในเขียนใรับบริจาคเป็น่าแ ล, และอื่นๆ คนนีดอ่านคนที่ฟังแล้วบริจาคนะเขาเรียงไม่ได้หรอเขาก็ า, าบริจาคนี่เขาต้องรับรู้ไงแสดงว่าส่วนหนึ่งของเงินบริจาคที่รับมานี่นะเราสามารถใช้ไปอื่นๆหรือถ้าจะเจาะจงในกิจกรรมอื่นๆของชมรมอะไรเงี้ย น, นี่ให้เขาจะได้เขากระจ่างนิดนึงก็ยิ่งดีนะครับแต่วัตถุประสงค์นี่มาปนๆกันนะ น, นไม่ได้ แต่ถ้าเป็นเงินบรรษกทเน่ยรับสกัดสกาดนี่ไม่ต้องพูดอะไรนะเพราะอะไรเพราะมันมีหมวดชัดเจนเลยเวลาไม่ลีน่อะไรเป็นเงินสกาดที่เราจะไปใช้จ่ายในจําพวกสกาดอยู่แล้วนะอันนี้ไม่ต้องบอกอื่นๆเลยนะไม่ต้องบอกเลยมีสิทธิ์ที่จะหักบางส่วนที่เป็นสิทธิของคนอาสาที่จะมาคนที่ไม่มีไรายได้ไม่มีไม่มีค่าตอบแทนนะนะในการที่จะไปใช้จ่าย หรือค่าใช้จ่ายโคงการแจกใจสกัดก็สามารถเบิกได้อันนี้ตามตามหลักการที่ได้กําหนดไว้อยู่แล้วนะครับต้องเข้าใจว่าหมายถึงว่า เ, เจ้าหน้าที่ที่จะเก็บสกาดซึ่งเนื่องจากว่าเราเราไม่ได้เราไม่ได้มีองค์กรที่เก็บสกาดเป็นระบบบ้านเรานี่เป็นเป็นประเทศเกษตรเกษตรกรนะ และมุสลิมที่เป็นเกษตรกรนี่จำนวนไม่น้อยนะถ้าสมมติว่ามีระบบระบบใบตุลมาเราเก็บสกาดจริงๆไอ้ที่เขาทำกันเนี่ยไม่ต้องเอ่ยชื่อนะไอ้ที่เขาทำกันเนี่ยผมว่าผมว่มันยังมันมันทะลึ่งอะผมก็เก็บใบตุลมาเก็บสกัดนี่เขาพูดถึงสกาดที่เป็นสตางค์อย่างเดียว เ ก, บก็บสะตากที่เป็นเกษตรเดยียงเดียวเนี่ยไปเก็บข้าวนี่มีก็ดังไหมที่ที่บอกว่าไป ท, ทุ่มาจะเก็บสะตัดจากชาวบา้านชาวบา้านเนี่เป็นเกษตเนีไปดูดิเกษตรนี่เ น, นะนี่ยฉะเชิานครนายกที่กที่มีอยทยางเงี้ยมุสลิมที่ปลูกข้าวมุสลิมที่ปลูกยางโอโจะไปเ ก, บก็บสะัยางอย่างเงีง้ยมีก็ดัง ได้ทำยังไปาลมสลิมที่ปลูกปาลมเยอะมทุเรียนเก็บทุเรียนที่ไหนอ่ะจะกะทุเรียนนะจะเก็บสร้างโกดังต้องมีค่าใช้จ่ายไหมรถบรรทุกและกระบวนการทั้งหมดเลยนะรถบรรทุกน้ามันของมันคนขับคนซ่อมรถค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายค่าด่านค่าสวยสติกเกอร์อันนี้นอยู่นี่อยู่ในนั้นหมดอยู่ในนั้นหมด <c oughs> คือขนาดค่าน้ํามันยังเบิกได้แล้ะอันนี้ไม่ใช่น้ํามัน อ, ะอ่ะเออบางที่เนี่ยเขาไม่ต้องพูดนะค่าน้ํามันเนี่ยค่าน้ํามันหล่อเลื่นก็คือทุกอย่างทุกอย่างที่มันให้มันหล่อเลื่อนไงมันจะได้มันจะไปไปเรียบๆค่าสติกเกอร์มันก็ <c oughs> รวมอยู่ในค่าน้ํามันนั่นแหละ เขาเซลเขาบอกว่าต่างอะไรอ่ะไอสติกเกอร์สวยนี่มันต่างอะไรกับสติกเกอร์ที่มีเว็บเว็บที่มีที่มีที่มีปีพศอ่านั่นแหะสติกเกอร์มีปพศนั่ต่างกันตรงไหนอ่ะพอร์บอนี่ใครเป็นคนเก็บรัฐและอันนี้ใครเป็นคนเก็บก็เหมือนกันน่ะ จะคุนเถือนนะมันต่างกันตรงไหนเขาบอกว่าชาวบ้านตีตาสาเนี่ยเวลาเขาจะคิดราคาสินค้าเนี่ยรถบรรทุกเ ง, งียเวลาเขาจะคิดค่าบรรทุกเขาจะคิดค่าน้ำมันใช่ั้ยภาษีรถนะี่เขาต้องคิดไม่ใช่หรอแล้วสติกเกอร์เขาจะไม่คิดเหรอก็ต้องคิดดิเพราะมันไม่ใช่ผิดของชาวบ้านไง แล้วมันผิ ด, ผดของโจรน่ะโจรป้นน่ะไม่ใช่โจรป้นนะไม่ใช่โจรป้นพรก็มีลายด้วยนะออมีกลุ่มลายสติกเกอร์ด้วยนะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ทุกส่วนเจ้าหน้าที่ของ คนที่จะไปสํารวจว่าคนนี้จนหรือไม่จนเนี่กับเจ้าหน้าที่จะ ต, ต้องทํำไหมต้องทําค่าใช้จ่ายเอา้าเอามีคนเขาจะขอเบอิกเสียการเพราะจะรักษาพยาบาลจะรักษามะเร็งอต้องตรวจ ด, ดิเป็นมะเร็งไม่เป็นค่าตรวจนี่ใครจะจ่ายคนจนอะ่ะเขาก็เบิกได้ก็ตรวจตรวจนี่จะได้รู้อ่ะเป็นหรือไม่เป็ น, เ ป, นเป็นแค่ไหนจะได้จะได้เบิกตามตามจริง ใครจานีใครใครจ level, ่ายล่ะก็เบิกได้จากสกาดเหมือนกันแต่อันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ความเหมาะสมและก็ตามบริบทและระเบียบที่ที่จะถูกกําหนดในในองค์กรที่ดูแลเรื่องสกาดเพราะอะไรเพราะบางทีในเวลาเราเก็บสกาดเนี่ยข้อจํากัดของสกาดว่ะสกาดมันมีแค่นี้และคนจนก็มีแค่นี้ดันั้ในการบริหารเม็ดเงิน มันต้องมีคนที่เสียเปรียบแน่นอนมันก็ต้องมีแหละแล้วนี่คือความบกพร่องของคนที่ไม่ได้ออกสากาัดทุกคนข้อจํากัดของสกัดนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเอ่อซึ่งข้อจํากัดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่จะทําอะไรไม่ได้หรอกได้สกัดมาล้านหนึ่งมีคนจนสี่พันคนอย่างเงี้ยจะให้ใครอะข้อจํากัดจริงๆ แต่ถ้าข้อจากัดที่มันเกิดจากความทุจริตของเจ้าหน้าที่เนี่ยอันนี้เนี่ยที่เป็นปัญหานี่นี้ที่เป็นเรื่องแล้วก็หลักการศาสนานี่ได้มีเงื่อนไขสําหรับสําหรับเจ้าหน้าที่ที่จะทําหน้าที่ตรงนี้ในในตัวบทอื่นๆด้วยโครงสร้างบทบัญญัติอิสลามทั้งหมดเนี่ยที่จะดูแลดูแลเรื่อง คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่เนี่ยเราต้องมองทั้งหมดนะเพราะไม่ใช่ว่าเออมาในจุดนี้เนี่ในอายานี้เนี่ยเอ้าแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคื อ, ค อ, คอต้องต้องศึกษาโครงสร้างทั้งหมดไม่ใช่มาดูตรงนี้เลิกก็บอกว่าโอ้ถ้ามีปัญหาเนี่ยคุณอานไม่ได้ไม่ได้แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ไงไม่ใช่คุณอ่านนี่ก็พูดถึงประเด็นนี้แต่มีปัญหาของประเด็นนี้เนี่ยก็ต้องไปดูว่าในตัวบทที่อื่นเนี่ยเขาเขาพูดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ จะบวกดิสีนี้ว่า المؤلفة قلوبهم مؤلفة เนี่ยที่ไปที่มาของคำศัพท์ที่เรานิยมใช้กันเยอะมากคำว่ามูอัลลัมูอัลลัฟเนี่ยเป็นเป็นคำไม่สมบูรณ์นะไ ม, ไม่ครบไม่ครบคำที่มันครบเนี่ยว่ามูอัลลัฟต์ทีกลูบุหอันนี้พะหุพ์แต่ที่เราใช้กันนะมูม ف? อัลลัฟสมมตว่า همني و ا ل مؤلف ด دي ق ل و ม ه อ ر มันแ م و เขา่า مؤلف ะยังเดียวไม่ครบ مؤلف ด دي ق ุ و ب ه م งมันนี่ฉันจรับเพอด مؤلف ะ مؤلف ่คนเดียว مؤلف ะ مؤلف ะหัวของเ مؤلف ะหัวของคือ مؤلف นี่ก็คือคํา่า مؤلف นี่มาจากอัลเลฟะเบ ن าสันิตนุห์หัวขก็คือหัวใจ บุคคลที ue, Instead, ่ต้องการให้หัวใจของเขากลบูกุลูบูหหัวใจของเขาเนี่ยมัลลัฟสนิทสนุมหรือแต่ใช้คําว่าวลมูอัลลัฟะทีกุลูบูหหมายถึงว่าที่ต้องการให้หัวใจเขาสนิทสนุมกับอิสลามก็แสดงว่าเขาหัวใจของเขายังไม่สนิทสนมกับอิสลามแต่ถ้าเราใช้คําว่ามูอัลลัฟอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็คือสนิทสนมเรียบร้อยแล้วคือเราตัดไม่ได้ใช้กุลูบุหมูอัลลัฟอย่างนี้ก็หมายถึงว่าสนิทสนมเรียบร้อยแล้ว เขาเป็นคนหนักแน่นสนิทสนมบแะแต่เราส่วนมากกันนะในภาษาไทยเนี่ยภาษาที่ชอบย่อเนี่ยไม่คำยาวๆเนี่ไม่ชอบใช่มูลละฟาติกุลูปโอ้โยาวนี่ถ้ามาใช่นี่มีใครไหวหรอมูลละมูลละฟาติกุลูปตัดกูลูบูมาใช่ใช่มูลละฟาโอ้ยังยาวอยู่มูลละไปเลยไม่เป็นไร แต่ประเด็นอยู่ที่ว่ามุอลลับเนี่ยมุเอลลับในใจคนรูมุมเอกฉันเลยนะเนยามของมุเอลลับในใจคนรูมสามประเภทส่วนมากในยุโรปสามประเภทก็ไม่ดีนะหนึง่งไม่ใช่มุสลิมเลยและนี่คือจําพวกเดียวนี่แหละหนึ่งส่วนหนึ่งของจําพวกที่ไม่ต้องเป็นมุสลิมนอกจากนั้นนะนะจําพวกทั้งแปดเนี่ย ที่จะรับรา ก, การเนี่ยต้องเป็นมุสลิมยกเว้นอัลมูฮลลัมจุกูรุบูส่วนหนึ่งของอัลมูฮัลลัมจุบก็คือคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะแต่คาดการสนิทฐานมีความหวังว่าเขาอาจจะรับอิสลามถ้าเขาในรู้สึกว่าเออมุสลิมเหน็บสนิทสนมกันแล้วก็ช่วยเหลือเออกันอย่างเนี้ยก็จะสนิทสนมกับอิสลามซึม่งเรื่องนเรื่อสำคัญเรื่องความช่วยเหลือ เรื่องิ่เรื่องการซีใจเรื่องกันให้ให้ความเมตตาซึ่งกันและกันหวังว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นแบบนี้ได้ให้สั ก, การะ้จำเป็นต้องยากจนไหมไม่จำเป็นต้องยากจนไม่ช่มุสลิมมาหนักเราจะรับจะไ้จำเป็นว่ไม่จำเป็นึ่นสงส่วนของอัลลวฮฺจะจป็นสอง รับ伊斯兰ลล้นแต่ยังลังเลลาะเละ็กอุดอัดไ ม, ไม่ไม่หนักแน่นไม่หนักแน่นเพราะอะไรเพราะมีพระอนพวกของเขานี่ยังหล่อเลี้ยงยังยังเชิญชวนไปทําชีริกไปอะไรเนี่ยเอฮ้ยให้เขาเขาหนักแน่นเนี่ยก็จะได้อยู่กับอิสลามจะได้ไม่ต้องแบบนี้ให้ได้ไหม ถึงแมว้ว่าเขามู้สิ้แล้วถึงแมว้ว่าเขาเป็นคนรวยให้ได้ไหมให้ได้และอันนี้น่ยจำพวกเนี่ยที่ท่านน บ, บีสุลต่านสลิมให้เยอะให้หลายคนถึงขนาดที่ทําให้สหภาพบางท่านนี่ไม่พอใจเลยนะ่ยสงครามฮูไนเนี่ยท่านน บ, บีได้ทรัพย์เฉลยเยอะฮูไนเนี่ยเป็นพื้นที่ใกล้เมืองต่อเอ้เคยอธิบายเคยอธิบายแล้วใช่ไหมช่วงแรกๆกู แต่ว้านี้แหละวิ่งมาหัหน้านี่นะจังซับเซอร์เลย ข, ของสองครามยุ่มากเลยยุมากทำไมอะ่ะเพราะเขาบอกว่าชาวเมืองตออฟเนี่ยเขาเขาสู้เขาบอกว่าสู้สุดชีวิตเลยนะผู้นำของของเมืองตออฟเนี่ยซึ่งเป็นเมืองตอก่อนนุ่นน่ะมักการี่คือเมืองหลวงของข้าบสมุทรอาหรับ เมืองรองเนี่ยก็คือต้ อ, อฟวฟนเพราะเป็นเมืองเกษตรส่วนมากเป็นสวนด้วยผลไม้อะไรที่ในคาบสมุทรไม่มีนเนี่ยอเนี่ยไตอหวันี่มีหมดและเป็นพ่อค้าแล้วก็เป็นคนเลี้ยงปศุสัตว์เยอะผู้นาก็บอกว่าทุกคนเอาครอบครัวไปด้วย พอหมายถึงเอาครอบครัวไปด้วยนี่ถ้าสงครามแพ้แล้วอ่ะนะครอบครัวของตัวเองนี่จะเป็นทรัพย์เฉลยหมดเลยเนะมียเป็นทรัเมียเป็นทาดลูกเป็นทาดหมดเลยนะแล้วก็เอาทรัพย์สินขนทรัพย์สินไปหมดนะี่ใครมีเงินมีทองใครมีปัสุสัตว์มีอูดมีแพ้มีอะไรนี่ขนมาหมดเลยพอด่าว่าแพ้นี่นะทรัพย์สินของตัวเองนี่เป็นทรัพย์เฉลยหมดสู้แบบนี้ก็หมายถึงว่าอะไรอ่ะหมายถึงว่าสุดชีวิตเลยอะ่ะประกวตัวแพ้ ขนนี่ก็คือทรัพย์สินของเมืองทั้งเมืองเลยอ่ะอูดเป็นพันตัวแพะนี่เป็นหมื่นตัววก็เป็นเป็นทรัพย์เชิงอะไรที่มากที่สุดในตลอดสงครามที่ท่านนาบีเคยทําแต่ในขณะเดียวกันคนที่รับอิสลามในเมืองตัอเอฟเนี่ยและก่อนหน้านี้นี่ที่มกกาการ์นะก็จะมัวนมากที่สุดตลอดประวัติศาสตร์การ การเผยแพร่อิสลามในข่าวสมุทรไรของท่านนมี <c oughs> แต่ที่สำคัญกว่าคนที่รับอิสลามที่มักกากดีก่อนสงครามฮอนนหรือที่ต่ออิฟคดีหลังสงครามฮอนจำนวนมากที่รับอิสลามเนี่ยคือเป็นคนที่มีหน้าตาหัวหน้าเผาเป็นคนมั่งคัง่งคนคนที่มีอำนาจบารมี นบีก็เลยตัดสินใจเพราะทรัพย์เฉลยนี่ตามตามหลักการศาสนาตามบทบัญ ญ, ญ, ญัติที่อัลลอฮ์ได้บัญญัติไว้องกระสงคำบัดรเนี่ยแบ่งเป็นห้าส่วนสี่ส่วนนี่นะสำหรับนักรบแล้วก็อีกหนึ่งส่วนเนี่ยอันนี้สำหรับผู้นำไว้จัดสรรเอง ท่านนาบีก็ไว้ในใจว่าส่วนหนึ่งในห้านี่ของทรัพเ์สเลที่ท่านที่ท่านได้มานี่ข้าวนี้นี่นะท่านจะไม่ให้คนยากจนท่านนาบีจะซื้อใจเพราะท่านนาบีถึงวาระที่ครอบครองและก็ยึดเมืองสำคัญในครับสมุิอารับทั้งหมดเลย แต่เหลือพวกหัวหน้าเผ่าบางคนเดียงไม่ได้รับอิสลามบางคนเดียงลังเลบางคนที่รับอิสลามเรียบร้อยแล้วแต่ดูเหมือนยังลอกแลกอยู่ยังไม่ยังไม่ไมัมมมม่นคงนบีบอกว่าจะได้ให้ความสั่คงมันเกิดขึ้นในครับสมุดโดยเฉพาะในเมืองหัวเมืองสําคัญนี่นะนบีแจกซับให้พวกนี้เนี่ยให้ขดีจ้จากจากซั์เฉลยเนี่ยอย่างมากมาย อ, อักรา บ, นาบินฮามิส ให้ไปอูดร้อยตั ว, วเดี๋ยวนี้อูดตัวหนึ่งอนะที่ข้าบสมุทรอาหรับนี่อูดอูดตัวหนึ่งอนะราคามันนะัตอนนี้เนี่ยก็ไม่ทํำกว่าสมสี่แสนบาทอ่ะคือราคาราคารถราคารถสักคันหนึ่งอนะ่ะอูดหนึ่งรอยตัวนี่ก็ไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสิบล้านนะ่ะ ซึ่งนียเนี่ยดียของของคนที่ถูกฆ่าเนี่ยของฆาตกรรมเนี่ยค่าชดของฆาตกรรมเนี่ยถ้าจะยกโทษให้เนี่ยต้องจ่ายนี่นี่เนี่ยค่าอูดหนึ่งร้อยตัวนี่ไม่ต่ำกว่าสามสิบล้านอ่ะอล้วเ้าจะเอามาจากไหนสามสิบล้านนะ่ะค่าเป็นเนี่ยก็ต้องจ่ายเป็นสิทธะค่าเป็นนะนะก็ต้องจ่ายเป็นและไม่ใช่หน้าที่ของคนฆ่าคนเดียวนะมันจะเป็น โทษของตระกูลและเครือญาติทั้งตระกูลทำไมอะ่ะจะได้ดูแลลูกหลานบ้างอะ่ะนี่โครงสร้างของอิสลามเป็นแบบนี้เวลาลูกหลานทำอะไรอ่ะนะตระกูลเนี่ยรับผิชอบเนี่ยทำไมต้องดูแลไม่ใช่เออลูกลูกวีลูกน้องมีเกี่ยวไม่ใช่ลูกกูไม่ใช่ลูกมึงอแต่แต่ถ้ามีปัญหาหน่นะมึงอวกนะครั ไอ้ที่ไม่ใช่ลูกมึงนี่เ้อไปฆ่าใครอะนะมึงชดด้ยนะรัวหมดเลยเนี่ยผู้ใหญ่ในตระกูลนี่ต้องมาชดคนนะส0สล้านบาทนะเธนี้ยังไงสอง0สบาทนี่ก็ไปกันแล้วพา อ, อะไรพวกกฎหมายไม่เอาจริงเอาจ๊งนี่นี่เธอไอ้พวกตระกูลตังโมเนี่ยเขารู้นป่านนี้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องไปเหนื่อยตามสื่อนี่ะได้สุดท้ายนี่ได้ไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ อิสลามไม่แบบสบายเลยส0มสบล้านแบบจากอันนี้เนี่ยอุลามาเขาเอาเอาอันนี้ยืมยืมไปใช้กับเรื่องสกาศตัวเนี่ยท่านนาบีก็ให้จากซับเฉลยนี่ให้คนที่ไม่ได้เป็นคนที่ยังเป็นมูอัลลัฟยังเป็นคนลังเลเนียนี่ก็ให้ได้เราบอกก็สองประเภทประเภทไม่ใช่มุสลิมเลยนะแต่ขาดการว่าเขาจะรับอิสลาม สเป็นมุสลิมแล้วแต่ยังหลังเลียงยั ง, ยงไม่มั่นคงให้เขาจะได้มั่นคงสามคนที่รับอิสลามใหม่ๆเขาอาจจะมีคำพูดหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายกับสังคมกับศาสนาให้สกาดเขาเนี่ยเขาจะได้ระงรับความอันตรายระงรับความเสียหายนี้ไม่ให้เกิดขึ้น ซึ่งมันจะมีสมัยท่านนาบีสุลต่านลยอุสเซลลัมนี่แหละหลังสงครามฮะไนเนี่ยท่านนาบีก็ให้คนนูน้นให้คนนี้ให้คนนี้คนนูน้นอูดหนึ่งรอยตัวคนนั้นอูดนแต่มีอีกคนนึงอะนะคนก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ใหญ่โตมากอนะนบีนให้อูดไปสิบตัวแต่คนคนนั้นอนะโลภฮะพิสลามใหมายไงแต่มีโลภเนี่ พูดเลยบอกว่าโอ้โหนี่ฉันเป็นอะไรมองเราเป็นยังไงก็ไปพูดไปบน่นไปบน่นไปบน่นก็มีสหบ้าบมามาปรารถกับนเีศบอกว่าแค่มันไม่ได้เหมือนคนอื่นนี่มันก็ไปพูดตัวไปก็ให้มันสบายใจให้มันจะได้กุดปาบางทีก็ต้องต้องทำเป็นแบบนี้ต้องเข้าใจว่าบางทีผู้นำ ต้องบริหารไม่ได้บริหารเงินอย่างเดียวผู้นำในสังคนไม่ได้บริหารเงินอย่างเดียวบริหารใครกคนบริหารคนแล้วคนน ม, น, น, มคนม่เหมือนกันไหมคนไม่เหมือนกันเงินนี่ยั ง, ยงไม่เหมือนกันเลยเงินไหนบางทีเนเงินเนี่ ย, ย, นนยมันเปื่อยแล้วเราต้องดูแลหน่อยใช่ไหมมันจะเปื่อยแล้วมันจะขาดแล้วอันนี้ต้องดูแลหน่อยต้องถนอมมันหน่อย เงินใหม่ๆนี่บางทีนั่งดึงใหม่ต้องสนดึงเลยแต่อีที่เปื่อยแล้วนี่ใครจะกล้าดึงมาจะเบาๆหน่อยแล้วระวังหน่อยเออต้องระวังหน่อยเงินเนียงดูละคนนจะไม่ดูแลหรอบางคนนี่กระเปาะบ้างบางคนนี่ยก็เซนเซทีฟผู้นําเนี่ยก็ต้องดูแลอนี่ก็เป็นอีกอีกส่วนดึงอีกหลักฐานหนึ่งถ้า ถ้าอิสลามมองว่ามูอัลลัฟเนี่ยมันคือเหตุผลที่จะให้สากาัดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านศาสนาอธิแดงว่าสภาพจิตใจของบางคนที่อาจอาจเป็นอันตรายหรือมีความเสี่ยงต่อชีวิตหรือต่อสังคมมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่สามารถให้สกัดได้อันนี้ก็เป็นเหตุผลได้เนะ ส่น้มีคนป่วยทางจิตถ้าเราไม่รักษาเขาเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายเกิดอันตรายอันนี้รับสากาะได้ไหมรับสากระได้เช่นเดียวกันคนที่ถูกทดสอบต้งติดยาติดเหล้าติดสิ่งเสพติดอย่างเงี้ยแล้วถ้าแล้วถ้าเขาไม่ถูกรักษานน่ก็จะสังคมก็จะประสบกับภัยที่มันใหญ่โตกว่าใหญ่โตกว่านั้นนั้น การที่จะรักษาบําบัดเนี่ยสามารถเอาเงินสกัดนี่มามาบําบัดรักษาได้ไหมได้เช่นเดียวกันอันนี้นจะจะการเปรียบเทียบผลในการให้สกัดนะครับอีนนี้เรื่องมูลลับนี่หมดแล้วนะสามประเภทน่หมดแล้วนะเรื่องมูลลับนี่มีคีดแล้วตั้งแต่ยุคสฮฮะบะหลังจากท่านอบดเสียชีวิตแล้วและอิสลามได้มีความมั่นคง แล้วก็อาณาจากอิสลามนี่ก็ขยายจนจนอุมมรบินุลขอบนี่ท่านมีความเห็นว่าคือสมัยท่านนาบีที่ที่ให้โมอัดลับเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนั้นนะ่ะรัดเนียงอ่อนแอและต้องการซื้อใจคนที่กำลังเข้าอิสลามใหม่เนี่ยเขาจะได้ไม่สร้างความระสำมรสาย แต่ตอนนี้เนี่ยรัฐมั่นคงแล้วก็คนที่เข้าอิสลามมาเยอะแย ะ, ยะอยู่แล้วแล้วคนที่มูอัลลัฟนี่ก็เข า, ขาลังเลไม่อยากจะเข้าอิสลามก็เมียเขากไม่ต้องเข้าแล้วทาไมาต้องเอาเงินนี้ไปไปไปซื้อใจไ ป, ไปอุ้มมาลุคเขาบอมีความเห็นว่าซาฮมุลมูอัลลัฟและพวกมูอัลลัฟนี่นะเป็นจําพวกที่ถูยุกเลิกไปแล้วไม่ต้องแล้ว อัลลอฮฺบัญญัติไว้ในช่วงแรกของอิสลามเพื่อให้ท่านนาบีได้มีช่องทางในการใช้จ่ายในการใช้จ่ายเงินที่จะใช้จ่ายกับกับการสร้างความมั่นคงอในสังคมสําหรับกลุ่มกลุ่มเหล่านี้แต่ตอนนี้เนี่ยไม่ไม่จำเป็นแล้วแต่สหภาพต่านอื่นเนี่ย ก, ก็ไม่เห็นด้วยกับท่านอัลลอฮนะฺเราตองขัดต่อมั้ ก็บอกว่ามวลรับนี้ก็คงคือสมัยท่านดบีท่านดบีก็ใช้ตอลอดชีวิตเนี่ยจนท่านดับบี้เสียชีวิตไงแล้วท่านอาูบะกรก็ใช้ก็แสดงว่ามันไม่ไ ม, ไม่สามารถยืนยนันได้ว่าถูกยกเลิกหรือท่าไม่เอามาคารตทอบนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นมันซู้ี่ยถูกยกเลิกอย่างสิ้นเชิงนัหมายถึงว่าไม่ต้องใช้แล้วแต่สหบัติท่านอื่นก็บอกว่ามันก็ยังจะมีเหตุการณ์อาจจะมีเหตุการณ์ขับขัน สำหรับพระฐอิสลามที่จะต้องใช้จําพวกนี้หมายถึงว่าให้สา ก, ากัดกับจําพวกนี้ก็ได้ซึ่งเป็นไปได้ความอ่อนแอของสังคมมุสลิมที่จะที่จะเห็นคนนี่แบบว่ า, อ, าอีกจําพวกหนึ่งที่อัลลมากนะ็เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบคนที่เป็นมุสลิมนี่แหละมุสลิมแท้ๆนี่แหละมุสลิมโดยกําเนิดนี่แหละแต่ลังเลกับลังลังเล ยิ่งในสังคมที่มีสงครามทางจิตวิญญาณสงครามทางความคิดนี้นะแล้วก็มีแบบมีแบบซื้อใจกันนะดุเดือดแบบนี้ที่ไหนรู้ไหมประเทศยุโรปและประเทศอารับบางประเทศเสนอเสนอชัดๆเลยจะๆเลยออกจากอิสลามเนี่ยเดี๋ยวมีรางวัลมา ออกจากอิสลามเลยโนมีรางวัลให้มันเหมือนสงคารามแต่มันสงคารามใช้เชงเงินเช้เงินแล้วคนเป็นมุสลิมแท้เนี่ยลังเลโอ้ โ, อโหนี่เขาเสนอมาเนี่ยถ้าถ้าเข้าศาสนานูเนี่ยเดี๋ยวเขาจะสร้างบ้านให้มีเงินเดือนให้มีรถมีอะไรทำยังไงดีอ่ะนะ มันก็ต้องดูความเหมาะสมนะไม่อย่างนั้นใครอยากจะได้บ้านได้รถได้ก็กเขียนบทละครนิดนึงนะแล้วก็ได้สมหวังเลยโอ้ยไม่เอาแล้วขอลาออกลาออกไปไหนอ่ะลาออกจากอิสลามนู่นนะก็ให้มากกว่าทำละครนิดนึงก็ได้แล้วไม่ใช่มันก็ต้องดูต้องต้องดู ว่าบางทีเนี่ยอันนี้เรียนตรงๆเลยนะครับบางทีเนี่ยคนที่ออกจากอิสลามเนี่ยนะออกนั้นน่ะดีแล้วออกนั้นน่ะดีแล้วเพราะคืนยังอยู่ยังอยู่ในสภาพนี้เนี่ยในฐานะในนามมุสลิม嘛นะอิสลามเสียหายมากกว่าล่าสุดเนี่ยที่ไปเผา เผาคุรานที่สวีเดนนะ่ะนะเดิมเนี่ยเป็นมุสลิมเนะี่ยเป็นคนอิรักนะแต่นะเป็นคนชิอาด้วยแล้วพออพยพจากอิรักเนี่ยไปอยู่สวีเดนแป๊บหนึ่งอ่ะนะก็ประกาศออกจากศาสนาแล้วก็ไปเผาคุรานดีแล้วลนะ่ะไม่ใช่ดีว่าที่เขาเผากุรานนั่นนะเผาคุรานในสภาพในสภาพนี้เนี่ยนะนะ ดีกว่าเออถ้าตอนอยู่ที่อิรักหรือตอนที่ยังเป็นมุสลิมแล้วก็มามาทำอะไรล่าสุดเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนอียิปต์อายุแปดสิบแหละมาตามโซเชียลเนี่ยขอประกาศ ร, รับอิสลามก็ดูท่าทางเหมือนเป็นมุสลิมใช่เมื่อสามสิบปีตอนที่อายุ อายุเธอนี่ห้าสปีนะแกเป็นมุสลิมนะมีครอบครัวมีลูกสามคนแล้วและก็อยู่ดีดีนี่ไปฝันว่าเห็นพระเยซูชวนชวนเข้าเข้าศาสนาคริสแกก็เลยพอตอนนั้นนะเมือม่อเมื่อสามสิบกว่าปีนี่ที่อีบิเนี่ยใครเปลี่ยนศาสนาในติดคุกเลยนะพี่เขาเลยต้องรีบไยไปอยู่ฮอนแลน และประกาศออกจากศาสนาเพราประกาศออกจากศาสนานี่เป็นคริสแล้วนะโอ้โหพวกกลุ่มคริสเนี่ก็มาให้เขียนหนังสือให้ออกรายการทีวีออกรายการวิทยุเล่าประสบการณ์คือบางคนในเวลาเขาเราไม่รู้ว่าถ้าเขาอยู่ในในานามมุสลิมเนี่ยเขาจะทําอะไรมันจะเละเทอะอะไรขนาดไหนแต่เขาออกนะเขาออกออ ก, ออกแล้วเนี่ยก็ไปอยู่สามสิบปีเนี่ย จนศึกษาใหม่นะศึกษาทุกเรื่องใหม่นะพบว่ามันไม่ใช่เพาะเบอกว่านี่เขาอยู่ในวาระสุดท้ายในชีวิตของเขาแล้วเขาอยากจะขอโทษพี่น้องมุสลิมทั่วโลกที่เขาเคยหลอกลวงเคยเขียนหนังสือบิดเบือนแล้วก็เคยต่อว่าเคยดูถูกดูหมินเรื่องราวของศาสนานี่ออกมาออกมามาขอโทษแล้วก็มามาับอิสลามใหม่มกับกาลิมโมใหม่ อยุตอนนี้เนี่ยก็แปดสิบปีละมันก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งให้เห็นนะครับว่าบางทีเนี่ยคนที่ไอ้คนที่ลังเลจะเข้าจะไม่เข้าจะออกจะไม่ออกก็เข้าอิสลามหรือจะไม่เข้าคนจะออกหรือจะไม่ออกอนะคือผมเนี่ยส่วนตัวนะผมได้มีความมั่นใจอย่างหนึ่งนาบีเคยพูดไว้ กับคนคนหนึ่งสาบ้านเนี่ยเขาเถียงกันต่อท่านนบีว่าคนนี้เนี่ยจะจะรับอิสลามหรือไม่รับอิสลามจะรับหรือไม่รับใจสหบ้านเนี่ยอยากจะอยากจะให้รับไงแต่เขาไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะยังแล้วเขาจะไปทางไหนนบีพูดคำหนึ่งอียาคุนบิฮีไครันยะติลลาฮูบิถ้าตัวเขาเนี่ยมีความดีนี่นะเนี่ยอัลล์จะพามา ทุกคนนี่ในตัวเขานี่นะมีชะตากรรมที่สามารถบ่งชี้ว่าเขาจะไปไหนคนที่ออกจากศาสนานี่นะสบายใจได้เลยถ้าในใจเขานี่ยังเป็นคนดีนะเดี๋ยวก็มาผมนึกถึงเรื่องเหตุการณ์บ้านเรานน่แหละพี่น้องเล่าที่แห่งหนึ่งแถวนีนะ่ฟังทนแถวฟังทนก็ไม่ต้องเอ่ยดู เดี๋พี่น้องบางคนอาจจะรู้ผู้หญิงสิริมาคนหนึ่งคือไปชอบชายต่างศาสนิกตอนอยังสาวอยู่ยังวัยรุ่นอยู่ห น, นีกับเขาเลยหนีกับเขาแล้วก็ไปคือเปลี่ยนศาสนาเลยเป็นเป็นพุทธไปเลยเป็นพุทธแบบไปวัดไหวพระอะไรแบบเต็มเต็มรูปแบบเลย อ, อายุเจ็ดสิบแล้ว่นะอายุจะดสิบนี่คิดดูน่าจะมีลูกมีหลานมี โทรมหาญาติพี่น้องที่ซึ่งไม่เคยโทรมาตลอดเกือบหกสิบปีนะไม่เคยโทรเลยโทรมหาญาติพี่น้องเนี่ยฝากไว้ขอจะฝังให้ละหมาดจันทร์ลราจะฝังเขายืนยันนะว่าเขานี่เขาเขาเต า, เตาบาดตัวเขาเลิกแล้วลขอจะฝังที่กุโบ่บางคนเนี่เราไม่รู้จริงๆนะตอนนี้ก็าออกโฆษณาเนี้ก็ถือว่ามุตตัดนั่นแหละแต่เขาอาจจะยังมีเมล็ดอยู่ ใครออกจากศาสนาเนี่ยบอว่าถ้ามันเป็นของเลวอะนะั่นเราก็เอานำเขาออกมาเราจะได้สบายแต่แต่เขายังมีความดีแหละแต่เขามีความดีเนี่ยเดี๋ยวเขจะมาเองแต่ประเด็นที่เราต้องไม่มองข้ามนะ่ะก็คือตัวเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นคนที่ล้อมคนคนนั้นน่ะชีวิตของเขาเนี่ยเราอยู่อยู่รอบๆชีวิตของเขาเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบ บทบาทหน้าที่ของเราด้วยเราเป็นสาเหตุที่ทำให้คนอื่นเนี่ยออกจากศาสนาไหมบางทีความเคร่งครัดเกินไปเนี่ยความเคร่งครัดเกินไปในความสุดโตงบางทีเนี่ยทำให้คนเนี่ยรังเกียจศาสนานออกจากศาสนานี่ก็มีเราเนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้คนคิดคือเข้าจะอิสลามผิด ผิดเพี้ยนไปไหมกับเราไหมเราไหมเพราะท่านดบีห้ามไม่ให้เราสุดโตง่งนะห้ามไม่เราเลยเถิดในเรื่องหละการศาสนากรบอกเหตุนี้แหละพอเราสุดโต่งในเรื่องศาสนาค น, นเขาใจว่าศาสนามันสุดโตงศาสนาไม่สุดโตง่โตงศาสนามาเรียบง่ายกว่านี้หรือว่าเรานี่บางทีเนี่ยกดะยีุ่นเกินไปจนคนคิด่าเออกระแตอย่างงี้กูกับมึงเนี่ย ก, ก็สถานะเดียวกันแหละ เรื่องอะไรจะจะมาเรียก伊斯兰วนาะ<笑>พอ่อพ่ออะไรอ่ะพ่อมุสลิมดิ everything, everything ทุกอย่างมีทุกอย่างเราปะมันพ่อเราหรือปะหรือเราเรามีความสามารถในการที่จะนําเสนออิสลามสั่งสอนอิสลามเผยแพ่ อ, อิสลามแล้วเราไม่ได้ทําหน้าที่ไหมอันนี้ทั้งหมดที่เราต้องทดสอบต้องตรวจสอบ ต, ตัวเองจึง เป็นเร offering, ื่องที่เราต้องพูดควบคู่กับเรื่องสกาดเพราเรากำลังพูดถึงเรื่องการมอบสกาดให้หมูอัลเลฟมอบสกัดสกาดนี่คืออะไรเงินเป็นไปได้หรอมอบสกาดอันเป็นเงินเนี่ยให้คนมูอัลเลฟแต่ไม่มอบศาสนาอันนี้ไม่ใช่เลยนี่เรากําลังพูดถึงส่วนที่มันเกี่ยวกับเงินมอบมีมีเงินมอบก็ต้องมอบแต่ก่อนที่แต่มอบเงินและสําคัญกว่าเงินเนี่ยคือเราต้องมอบอิสลามให้เขาด้วย มอารายาตในเขาด้วยความสวยงามของอิสลามว้วยผัวนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีได้ทำด้วยท่านนาบีไม่ได้ให้ตังค์อย่างเดียวท่านนาบีทั้งให้เสด็จก็คือสาการแล้วก็แล้วก็ให้คำสั่งสอนด้วยอุลมามาบางท่านเนีจงบอกว่าการที่เราสแสดงสแสดงกิริยามารายาทของอิสลามถึงจะเป็นเรื่องที่ลำบากลำบนหรือเป็นเรื่องที่เราต้องคือต้อง พิถีพิธนันและก็พยายามต้องทำต้องทำถึงแม้ว่าจะลำบากสแสดงกิริยามารยาทที่ดีโดยเฉพาะเราอยู่ในสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมทีเนี่ยต้องทำอะไรที่แบบว่ามันลำบากสําหรับนิสัยของเร า, าแต่ต้องทำเช่นเราเป็นคนขี้โมโหถ้ตาต้องพยายามระงับความโม่มันลำบากมันลำบากแต่ต้องทำ อุระมาได้บอกว่ามองให้ว่าการแสดงกิริยามารยาทมันเป็นส่วนสะกาดที่เราต้องออกจากนิสัยของเรานิสัยอะไรของเราต้องต้องสกาดอะไรบางอย่างเนี้ยสกาที่เราต้องมอบมอบให้คนอื่นไม่มีตังจะให้เขาเนี่ยให้อะไรให้มารยาทที่ดีให้คำพูดที่ดีล่าสุดนี้ผมผมก็ดูคลิป ของคนที่เขาามีความรู้เรื่องไอทีเขาก็ทําช่องในยู u ูบเนี่ยสอนเรื่องไอทีเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าทุกทรัพย์สินทรัพยากรเนี่ยต้องออกสกการและเขาเขาเชื่อว่าความรู้ของเขาเนี่ยมันเป็นทรัพยากรชนิดหนึ่งที่ต้องออกสกการ์ฉะนั้นความรู้ที่เขามอบไว้ในช่องเนี่ยถือว่าเป็นสกการที่เขาไม่ขอค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะเพราะ เขาถือว่านี่เป็นสกาดของความรู้ที่เขามีก็เป็นเรื่องที่ดีนะเราก็ดูว่าเออเรามีอะไรในตัวสกาดนี้ไม่จาเป็นต้องทรัพย์สินเสมอนะอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่เรามีแล้วก็ถ้าในมาตรฐานสากลเนี่ยตีมูลค่าเป็นเงินก็ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยทุกอย่างนีมันทีราคาเป็นเงินหมดแล้วไ่หาบริษัทประกันภัยนี่ เป็นดาราหน่อยนี่ก็ประกันความสวยงามเป็นนักเตะบอลใ น, นประกันตีน <laughs> ประกันหมดเลยทุกอย่างเนีนี่ประกันหมดเลยอยากจะประกันอะไรอะไรที่กลัวจะหายอะไรนี่응 <laughs> แล้วก็จะขอแจ้งเร่วงหน้านิดนึงว่าสัปดาห์หน้าอังคารที่จะถึงนี่ทนะาอคาร สุดท้ายของเดือนสิงหาเนี่จะของมงดนะครับแล้วก็มาเริ่มอังคารของของกันยานะครับอังคาร น, านั้นนียงดนะครับมีคำถามไหมครับ <c oughs> ในวันนี้เหนื่อยเหนื่อยใจอะ <c oughs> ไม่ได้ไปแต่ไปอะล่ะหมายถึงว่าตามเขาอะล่ะ เรื่องของข้อสัฟิตรอนนะครับที่อธิบายนิดนึงาทีเราจะลืมหรือว่าเราไปให้บ้านญานติพี่นองเราบอกแล้วฟิตรอนนี่ผมพูดแล้วเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนะบอกว่าฟิตรอนนี่ให้สองจำพวกเองเดียวฟุกรระและมาสากีนจะเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนบ้านแต่เข้าเข้าขครฟุกรุระมาสากีนญาติจนขัดสนเนี่ยรับได้ฟิตรอนนี่ไม่เหมือนอกาศทั่วไปที่จะให้แปดจำพวกใหม่ เปลงจำพวกนี้สาหรับรสกั ต, ตมาสกัดรัพย์สินสกัดทัพย์สินทั้งหมดแต่ฟิตรนี่มันไม่ใช่สกาดทรัพสินมันเป็นสกาดถือินอดของการทือสินอดและอีกอย่างสกาดฟิโตโรนี่ไม่จำกัดจานวนหรือคนหมายถึงว่าฟิตรนีกโลสมมติฟิโตร่สามลโลสมโลให้หนึ่งครอบครัวได้ไหมได้ สามโลให้หนึ่งคนในครอบครัวได้ไหมได้เอาสมมติว่าครอบครัวนี้ได้จากบ้านนี้สามโลจากบ้านนู้นสาโลจากบ้านนี้สามโลก็ยังรับรับอยู่นั่นแหะรับรับรยบรอะในจนในบ้านเขาในมีสามร้อยโลได้ไหมถ้าเขาถ้าเขามีสิทธิ์รับยังกระรับได้แต่อุล玛เขามีความขัดแย้งว่าเขารับได้แค่ไหนอุลาบางท่านบอกก็รับกระรับได้ตลอดในเมื่อในเมื่อคนเขายังเข้าใจว่าเขาเป็นคนยากจน ทำไมเน่เพราะไม่ได้หมายรวมว่าเาสมมุติว่าเขาได้เขาได้จะครอบครัวนี้สามโลสมสมโลนี่วันหนึ่งเราจะกินข้าวกี่กิโลล่ะโลหนึ่งสองโลแต่ครอบครัวใหญ่สองสามโลเอาแต่นี่ได้ได้มาสามสิบโลแล้วใครบอกล่ะว่าคนเนี่ยอยู่อยู่เพราะข้าวอย่างเดียวสมมุติว่าเขาตอนแรกเนี่ยเขาขาดแคลนข้าว แต่จริงเขาขาแค่นี้เรื่องอื่นแต่ฟิตรอนี่เราจะยังอื่นไม่น่าสมมติเลยขา ข, ดขาดแค่รักษาไว้ค่ายาได้ข้าวมาร้อยโลเ อ, เอาข้าวสักสิบโลยี่สิบโลนี่ไว้กินไว้กินเดือนเนี้ยแล้วก็ส่วนอื่นไปขายจะได้ซื้อข้ายาแบบนี้ได้ไหมไ้สิได้ที่สําคัญต้องเข้าใจนะฟิตรอนี่ก็ต้องให้ข้าวให้หมายถึงว่าให้อาหาร ส่วนเขาจะไปใช้อาหารยังไงบริหารยังไงเ น, นไปรุ่งเขาเพราะเขาถือกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วอันนี้เนี่ยดีที่สุดแล้วก็ถูกต้องที่สุดตามหลักการมากที่สุดดีกว่าเราจะคิดเอาเองว่าเขาคงไม่เอาข้าวมึงให้เงินเขาไปดีกว่าอันนี้เนหนึ่งมันขัดกับหลักการดีว่าให้ต้องให้อาหารกพนบีให้อาหารสองมันไม่ได้มารวมมื้ออาหารแล้วเขาจะบริหารไม่ได้เาอ เขาอาจจะเอาเข้าแล้วก็ไปขายก็ได้ไปขายก็ได้ถึงว่าเป็นคนยากจนน่ยไม่ใช่เรื่องอาหารอย่างเดียวนะหมายถึงกาดสนร่อื่ น, น ก, ก็เป็นไปนได้เหมือนเดิถ้าเขาทา ง, งานศาสนานะทา ง, งานศาสนาการเผยแพร่ อ, อิสลามนี่อันนี้มีศิรธรับสากล แต่ก็ทำกิจกรรมกิจกรรมนักศึกษากิจกรรมชมรมที่ม่เกี่ยวกับการเผยแพร่อิสลามนะอันนั้นไม่ได้เพราะเป็นกิจกรรมทั่วไปแต่ไม่ถือว่าไม่ใช่ในหนทางฟิเบีล่านะฟิสบีล่าเปหมือนในหางของศาสนาเทียบได้เหมือนดึงที่ห้าดึงต่อสู้เพื่อบอกป้องอิสลามอะไรเงี้ยเออถึงจะรับสกาดได้สมมติในนันชมรมมีกิจกรรมดาว่ามีกิจกรรมไผยแพร่อสลามมีกิจกรรมดูแลน้องๆที่เขา กำลังหลงทางอยู่ก็เริ่งถูกหลอกลวงจากละทิจากอะไรต่างๆที่ไม่伊斯兰อย่างเงี้ยเออนี่มีเอ่ อ, อ, อต้องการซื้อหนังสือจัดสัมมนาจัดการอบรมอะไรเงี้ยมีอันนี้ก็มันคล้ายๆมันเหมือนมันเหมือน j ิ h a d ใน อ, นอุนเดอรอุลร้องป้องกันอิสลามปกป้องอิสลามเราต้องต้องต้องดูแลตรงนี้ด้วยเพรชมรมชมรมเล่นบอลกันใช่ไหมเล่นบอลไปไเที่ยวไปเที่ยวโน่นเที่ยว จากกาหงชมรมากือรับสการแล้วก็เอาไปเที่ยวกันมไม่ใช่เลยนะใชหมก็ต้องระวังหน่อยครับอ่กสมมติว่าเราให้ฟตรอไปบ้านมาวันก่อแล้วือเอินเขาวไปดินทานนีควรเลี่ยงเลยถ้าเรารู้น่าควรเลี่ยงเลยถ้าสมมติว่าเราให้สกาเราให้ฟิตรอเข้าเนี่ยเข้าหอมแต่เขามาเลี้ยงเขาก้องอย่างเนี้ยเออเรารู้ อันนี้ไม่ใช่ของเราไม่ไม่ใช่สกาดฟิตโรสของเราแต่ถ้าเขาเลี้ยงเลี้ยงฟีโตรสที่ไม่ใช่ของเราเรารู้สมมุติถ้าเขาได้ฟิตโรสมันเขากล้องอย่นี่ยเรากินได้ไม่เกี่ยวแต่ฟิตโรสของเราเนี่ยเราไม่ควรเราสงสัยว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราที่เราให้เข้าไปนึ่นก็ไม่ควรแล้วไม่ควรซื้อด้วยนะอ่าสมมติว่าบางผมไม่เอาข้าผมขายบางเอาไหมไปขายคนอื่นต้องขายคนอื่นเหมือนเรื่องแพ ขยายคนอื่นมาขายให้เราคนที่ออกสากาัดนี่ไม่ได้หรือมาขายองค์กรน่ะอันนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันวีวสิทธิ์เขาทำกันรับสากาัดคือรับสกาัดเป็ น, เ ป, นเป็นข้าวแล้วก็ให้แล้วก็รับซื้อแต่เขาซื้อถูกไงโรงเรียนบางที่นี่เขาก็ทํากันรับสากาัดฟอโตนก็แจกแต่ก็รับซื้อต่อเพราะสื้อนี่เขาใช้ในโรงเรียนอั น, นไม่ได้ ทั้งทีนี่แจกแล้วก็มารับเองเนี่ยนี่ก็ไม่ควรถูกครับอืาเกิดสามีภรรยาสนมีมีทรัพย์สินแต่ไม่ครบม่สออของสกาดภรรยามีแต่รวมกันแล้วไม่รวมเดยไม่รวมเอกเทศมันมีข้อใดมีหลักการเกี่ยงสกัดอื่นว่าละยุ่งม้าเป็นมุฟเทนหรือว่ละยุ่งรักเป็นมุสตมิ่งสิ่งที่มันเอกเทศนี่ไม่รวมกันจะได้ออกสกาดและสิ่งที่มันรวมกันไม่แยกจะได้ไม่ออกสกาด ไม่รวมจะได้ไม่รวมจะได้ออกและไม่แยกจะได้ไม่ออกแยกยังไงอก็มหมายถึงว่าถ้าเขารวมกันดีนะเขาต้องออกสกาศอย่างเช่นเขาวรวมมาเป็นหุ้นส่วนหุ้นส่วนแล้วก็เงินแต่และหุ้นส่วนเนี่ยมันเป็นก้อนเดียวกันแล้วแต่เขาบอกว่าถ้าเราแยกหุ้นส่วนนี่นะมันจะไม่ครบในสอบไม่ครบพิกัดไม่ต้องออกสกาัเออเหมือนที่ดินที่เป็นประเด็นเนี่นยแยกขายอ่ะ อย่าขายก็จ่ายมาสีน้อยแต่ถ้าใจแต่จะจขายแปลงเดียวนะเออสีหนักอะไร น, นี้อันนี้ก็ไม่ได้เพราะทรัพย์สินของสามีภรรยานี่ยตามหลกักการศาสนาก็เอกเทศปัญหาปัญหาใหญ่นะบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยซึมซับกับกฎหมายไทยว่าเพณีว่าเพณีสากลเนี่ยว่าเงินสามีภรรยาเนี่ยเป็น ก้อนเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่ก้อนเดียวกันเงินสามีก็ของสามีเขได้มรดกมาก็เป็นของเขาไม่ใช่ได้มรดกมาพอแต่งงานแล้วเนี่ยมรดกของสา ม, งมีก็เป็นของภรรยาหรือภรรยาได้มรดกมาเนี่พอแต่งงานนี่ก็กลายเป็นผัวเฉยเลยะ ม, มีเหตุผลอะไรไถ้าเสียชีวิตแล้วนี่ใช่ก็มีสิทธิ์รับมรดกถ้าสามีเสียชีวิตเนี่ยใช่ภรรยานี่มีสิทธิ์รับมรดก แต่สมมตัว่าอยากกันล่ะอยากกันก็เงินไขเงินมันน่ยไม่ใช่ไม่ใช่แบ่งกัน50าสห้านะฟิฟตนะไม่ใช่อันนี้นี้ไม่ใช่อิสลามไม่ใช่กมาอิสลามแล้ทุกวันนี้นี่ก็ยังมีอิหม่ามโตคูนี่เขาบอกว่าแบ่งกันห้ก่อนนะแล้วก็ค่อยแบ่แบ่งอีกที่นึงตามหลักการศาสนาอันนี้บัตรซบสุดเสียดายที่เรียนไปเรียนอะไรมาแล้วก็เลอะเทอะแบบนี้เลอะเทอะที่สุด เรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมของเราฉะนั้นบุคคลเป็นสามีเป็นภรรยาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ต้องรู้ทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยเท่าไหร่ทาด้วยกันทำกันมาทํากันก็มีค่าตอบแทนมีก็มีภรรยามาช่วยงานสามีสามีมาช่วยงานภรรยานี่ก็ได้ค่าตอบแทนไม่ใชทํากันมาแล้วก็เป็นของเขา50เซเหตุผลอะไรเหตุผลอะไร แล้วถ้าเป็นแบบแต่งงานสองสามคนสี่คนละ่ะจะแบ่งกันยังไงแบบไหนสากลมีไหมแบบนี้ไม่มีถ้าเรื่องนี้เรนี้ตรงนี้ต้องต้องคยพูดพูดต้องกันอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อย น, นี่เรานี่แหละใครมีใครมีภรรยาเนี่ยต้องเข้าใจกันให้ดีเราต้องฟื้นฟูสังคมแบบนี้แหละเพราะบางทีคนรุ่นก่อนนี่ก็พูดยาก ผมพูดแผู้หญ่เนี่ยบีผู้ใหญ่ยย ร, รุ่นรุ่นรุ่นใหม่นี่ขึ้นมาเนี่ยเออสามีภรรยาเนี่ยต้องต้องรู้เรื่องนี้ให้ดีทำไมอ่ะอันนี้มันเป็นมันเป็นการละเมิดละเมิดด้านทรัพย์สินมีค่าเท่ากับขโมยหลักทรัพย์โดยไม่ชอบเอาของเขาไม่มีสิทธิ์แล้วยิ่งอยู่กันไปอยู่กันมาแล้วก็มันปนๆกันจน จนแยกไม่ได้แยกออกไม่ได้พาะช่วย